ขอความสุขความเจริญจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายสารมลระโปธิยานได้นำเสนอเรื่องคันติบารมีสืบต่อกันมาโดยลำดับอย่างที่เคยตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าลักษณะของบารมีที่แสดงไว้ในรูปชาดกต่างๆนั้นมักจะเน้นถึงการใช้บารมีนั้นๆเป็นประการสำคัญ ฉันว่าพระชาติที่กล่าวถึงคันติวัธีดาบทซึ่งบำเพ็ญขันติบารมีก็จะเน้เนในเห็นการมีอยู่ของคันติบารมีและการใช้คันติบารมีของท่านบ า, บ, บางรามมากราในลักษณะที่ยอมตายแต่ไม่ยอมทําลายความดีที่ตนกําลังประพฤติปฏิบัติอยู่ดังนั้นคันติเหล่านี้เมื่อ พูะเจ้าธรรมาสดงแก่บุคคลทั้งหลายในยุคสมัยที่ทรงประชนรอยู่ก็ทรงจำแนกแสดงไว้โดยนยาต่างๆแต่ก็จะเน้นหนักไปในรูปของความมีอยู่ของขันติแต่ก็ต้องเข้าใจว่าขันตินั้นเป็นบา ร, รมีธรรมส่วนเหตุว่าจริงๆก็อยู่ในกลุ่มของมรรคะ เป็นกลุ่มของภเวตปรปธรรมคือธรรมะที่บุคคลจะต้องมองเห็นคุณค่าและพยายามเพิ่มพูนขึ้นจนคุณธรรมเหล่านี้มีอยู่ภายในใจและปริมาณแห่งคุณธรรมนั้นเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นจนในบางกรณีสามารถรู้การอดทนได้โดยอัตโนมัติบางครั้งบางคราวก็ต้อง ใช้พลังของคันติสูงขึ้นและบางครั้งก็ค่อนคอนข้างไปทางเสียงเป็นเสียงตายซึ่งก็หมายความว่าปริมาณของบา ร, รมีที่ใช้ทั้งสามระดับนี้มีความแตกต่างกันคือความเข้มข้นของคันติในกรณีที่ต้องใช้ในรูปของการเสียงเป็นเสียงตายแต่ถ้าหากว่าคันติเรามีไม่มากพอ ในที่สุดก็จะเกิดอาการเคว้สับสนแล้วก็พายแพ้ต่ออารมณ์ที่มากระแทกกระทันใจและบางกรณีทรงแสดงให้เห็นในรูปของคันติเป็นฐานแห่งความดีงามทั้งหลายเพราะว่าการก้าวไปสู่กระแสของกุศลโดยการลดละอกุศลนั้น จะต้องฝากควันอุปสรรคอันตรายและบางครั้งบางคราวก็ไปเกี่ยวข้องกับเวงกับไัยซึ่งเกิดขึ้นจากการกระทาของบุคคลผู้ไม่วังดีหรืเราเองฉลาดไม่ทันในเรื่องเหล่านั้นก็จะเกิดความสับสนขึ้นมาได้แล้วก็จะเกิดเสียใจในการภายหลัง เวลาพลังพาดออกไปแล้วผมมารู้สึกก็จะเออคราวนั้นถ้าอดทนได้ก็ดีหรอกถ้าอดทนได้คราวนั้นก็คงไม่เป็นอย่างนี้หรอกตอนปัญหาในคราวนั้นแสดงว่าเกิดขึ้นเพราะขาดความอดทนได้ทรงแสดงวว่าขันติเป็นประธานเป็นเหตุแห่งคุณคือศีลและสมาธิทั้งหลาย กุศลธรรมทั้งปวงย่อมเจริญเพราะขันติเท่านั้นนี่เป็น ก, การแสดงให้เห็นถึงทุกขั้นตอนของการเจริญกุศลหรือแม้แต่การละอกุศลเฮ้ยเราสังเกตว่าการทวนกระแสะของกุศลขึ้นไปเนี่ยการทวนกระแสะของกิเลส ข, ขึ้นไปเนี่ยเฮ้กับางกายกังบางใจของเราจะต้องแยก แล้วเจ็ดจำนงจะต้องเด็ดเดี่ยวมันจะมีการถูกกระแทกกระทันกระทบกระทุง้งแรงๆแล้วถ้าเราขาดความอดทนก็จะปฏิบัติได้ลําบากจ้าในกรณีนี้ทรงยกตัวอย่างว่าขันติเป็นประธานหมายความว่าใจที่มีขันติใจที่มีขันตินั้นจะเป็นประธาน เป็นผู้นำในขณะเดียวกันก็เป็นเทศให้กุศลธรรมทั้งหลายเจริญขึ้นจะเริ่มต้นจากการเจริญศีลเป็นต้นไปยกตัวอย่างการรักษาศีลในดับของศีลห้านั้นก็ทวนกระแสความโลภความโกรธก็ทวนค่อนข้างแรงแต่ถ้าสถานการณ์ปกติก็ไม่ค่อยแปลกอะไรเท่าไหร่ แต่ในบางกรณีสถานการณ์คุกคามแรงเช่นสมมติว่าเรากำลังมีปัญหาในขัวเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองแล้วก็ไปเจอเขาจ้างวานหรือขอร้องให้ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งแต่งานนั้นมันทุจริตแต่ในขณะเดียวกันไอ้เงินที่จะได้จากค่าจ้างเนี่ยมันจะแก้ปัญหาเรื่องเองิน เ, เรื่องทองของเราได้ ก่อนหน้านั้นเราสมาทานศีลไว้แสดงว่ามันจะเกิดอาการชักกระเยาะกันศีลซึ่งเป็นกุศ ล, ลธรรมเนี่ยมาก็พยายามที่จะกระตุ้นสํานึกเราให้ร ะ, ระมัดระวังรักษาศีลที่ตนได้สมาทานไว้แล้วให้ดีแต่ในขณะเดียวกันความทุกข์หรือปัญหาซึ่งเกิดจากการเป็นนี้เป็นศีลในเกี่ยวกับเรื่องเงินก็รบเร้า เพราะว่าดอกมันเพิ่มขึ้นได้ด้ว ย, วยมีการคงคูคุกคามอาจจะเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติยศเป็นภยัยเป็นอันตรายแก่ตนเองและครอบครัวแต่ในขณะเดียวกันไอ้เงินค่าจ้างมันก็ลอดใจเยอะตรงนี้ที่จริงถ้าทิ้งสีนได้ปัญหาตรงนั้นก็หยุดแต่ปัญหาใหม่จะตามมาอีกเยอะ ปัญหาว่าเรามองระยะยาวระยะสั้นถ้ามองระยะสั้นๆมันก็ผักสินไว้ก่อนแล้วในที่สุดก็จะไปรับจ้างทํางานผิดกฎหมายก็ได้เงินมาแก้ปัญหาในเรื่องหนี้สินแต่ว่าเราก็สร้างปัญหาในเรื่องทุจริตไอ้หนี้สินนั้นถ้าพูดถึงตามความเป็นจริงแล้วคนน้อยคนที่จะไม่เป็นหนี้เป็นศิน เราจะรักษาศีลด้วยแล้วก็พยายามเรื่องนี้สินไปด้วยอาจจะทํางานหนักหน่อยแต่เราก็รักษาประโยชน์สองระดับเอาไว้คือประโยชน์ระดับมนุษย์สมบัติกับประโยชน์ระดับสวรรค์สมบัติเพราะศีนั้นเขก็เป็นบารมีธรรมเตรียมเวยความสุขในชีวิตปัจจุบันด้วยในชาติต่อไปด้วยและในชาติต่อต่อไปด้วย บนถ้าคนคิดสั้นมันจะทำอีกแบบหนึ่งแต่จะคิดได้ยาวก็จะทำอีกแบบนึงการศึกษาในแนวพระพุทธศาสนาจึงมองไปสู่อนาค ต, ตการที่นานไกลให้ลองสังเกตว่าการมองถูกที่พระพุทธศาสนาท่านแสดงไว้นั้นมันจนถึงถูกในสังสารวัฏ ทุกในสังสารวัฏเนี่ยบางระดับเนี่ยเราไม่เห็นทุกข์นะถ้าเทียบกับชีวิตแบบมนุษย์แล้วเราก็ไม่เห็นทุกข์อย่างนั้นจนงการมันเกิดอยู่ในพรห ม, มโลกเป็นพรหมความทุกข์แบบมนุษย์มันก็ไม่มีหรือเกิดระดับเทวดาระดับสูงขึ้นไปจากดาวดึงขึ้นไปเนี่ยความทุกข์แบบมนุษย์มันไม่มี ยิ่งไปถึงอยู่ระดับพระนาคามีพรมระบายใหญ่เลยความทุกแบบพรมยังไม่มีเลยนะความทุกอย่างพรมระดับชานยังไม่มีความทุกระดับสวรรค์นั้นไม่ต้องพูดถึงพระาะตอนเทียบแล้วเทียบระดับมนุษย์มันก็ไม่มีทุกแต่ว่ามันเป็นทุกในสังสารวัฏคือถ้าเหล่านั้นยังต้องหมุนวนในสังสารวัฏอี แต่ั้นพระเจ้าก็สอนได้มองเห็นถุกในระดับของสังสารวัติซึ่งการมองในแนวนี้เนี่ยในาศาสนาอื่นไม่มีการมองเพราะว่าเขามองชีวิตหลังจากวันพิพากษาวันพระเจ้าพิพากษาซึ่งก็หมายความว่าพยายามทำตนให้เป็นที่ปรอไทัยของราาพระผู้เป็นเจ้า แล้วพอถึงวันพิพากษาพระเป็เจ้าก็จะพิพ า, ากษาให้เราไปอยู่เป็นสุขช่วยนิรันดร์อยู่ร่วมหรืออยู่ร่วมกับพระองค์ช่วนิรันดร์เพรา ะ, ะนั้นความสุขความทุกข์จึงขึ้นอยู่กับความพอพระทัยของพระผู้เป็นเจ้ามากกว่าที่เราจะทําเองถึงแม้เราทําเองก็ไปเกี่ยวข้องด้วยความรู้สึกของพระผูเ้เป็นเจ้า แต่ในความโลกพุทธศาสนานั้นจะมองไปในแง่กระบวนการของกรรมคือหมายความว่าให้ความสำคัญแก่กุศลที่มีความประนีตขึ้นไปโดยราดักคือยกย ก, กจิดเราหนีกิเลส ข, ขึ้นไปได้โดยราดับด้งการทนกระแส ก, กิเลสระดับศีลก็ต่อสู้กันไม่เบาแต่ละข้อนะให้ลองสังเกตว่าแต่ละข้อเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดา เช่นว่าสีทนิรั น, นีดิ์ยศตัวอย่างประสาริบุตรประสาริบุตรนั้นท่านเป็นประหรันแต่ท่านอดทนได้โดยอัตโนมัตินะครัแต่ถ้าเราลองเทียบดูว่าถ้าเราอยู่ในสถานะตรงนั้นมันจะคิดได้ขนาดที่จะรักษาสีนไว้ได้หรือไม่เือาสาริบุตรท่านเป็นโรคที่เกี่ยวกับช่องท้องไม่ดี แต่เกิดท้องเสียบ่อยๆกรณหนึ่งท่านก็ป่วยที่เกี่ยวกับช่องท้องพระมกัลานะก็เรียนถามว่าชั้นยาอะไรหายท่านบอกว่าก่อนบวชเนี่ยมันก็ไม่ได้กินยาหรอกแต่แม่ทำยาคูให้ให้กินแล้วก็จะหาย พระมกขานะท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้ผมไปบินท บ, บาตมันก็ควรจะได้ยาคูด้วยบุญของผมด้วยบุญของท่านและจะนำมาถาวายพอดีมีเทวดาได้ยินเข้าก็ไปเข้าสิงบ้านโยมอุปถาลูกของโยมอุปถาประสานีบุตรแล้วก็บีบบังคับให้ทำข้ายาคูไปถาไวายประสานิบุตร พระสารีบุตรท่านรู้ด้วยอย่างของท่านาาน ะ, ะโยมมาถาก็จะทําอยู่แล้วเมื่อพระโมกคัลานะไปบินธรรมบัตรโยมมาถาก็ฝากมาถวายแต่ปรากฏว่าพระสารีบุตรไม่ยอมฉันเพราะอาการเหล่านั้นเขาเรียกว่าเป็นการเรียบเคียนเพื่อจะได้เป็นการได้ในทางที่ไม่เหมาะไม่ควร เราจะเห็นว่ามันประนีตมากแต่ถามว่าถ้าสามัญชนเนี่ยมันก็ต้องแก้ต่างแก่ตัวเองแล้วก็จะฉันน่าเฉยแต่เฉยได้นั่นก็คือการทวนกระแสกิเลสเนี่ยบางอย่างมันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ง่ายๆก็ อ, อาบัดแล้ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ แต่ว่าในแง่ของคุณธรรมภายในใจเนี่ยก็แสดงว่าอ่อนแอบ้างเราจึงพบบางครั้งบางคราวเนี่ยแม้แต่พระํารวพยาบาลเนี่ยก็เจอที่แพทย์ก็ก็บ่นให้ฟั ง, งคือแพทย์ก็มองแบบแพทย์อะพระคนป่วยอาหารไม่พอก็ต้องเกณฑ์ให้ท่านฉันอาหารแต่ท่านก็ไม่ยอมฉัน ท่านจะรักษาศีลว้ตายก็ตายคือฉันก็ตายไม่ฉันก็ตายนะแต่ยิ่งมันตายเร็วขึ้นทอนนั้นเองหมอก็ไม่พอใจหมอก็มาเล่าฝั่งบอกว่านั่นแหละคือพระดีพอท่านต้องรักษาศีนเพท่านไว้แล้วยิ่งท่านป่วยเนี่ยท่านใกล้าตายกับใกล้หายนี่ใกล้าตายมากกว่าใกล้าหายแล้วถ้าท่านตายด้วยจิตที่ขุมดมัวเศร้าหมองเนี่ยกติพบที่ท่านอุปบัติก็ไม่ดี เพราะคนที่มีความประนีจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ละเมิดศีลที่พระพุทธเจ้าทรงบัญจัเอาไว้ซึ่งก็หมายความว่าอีกด้านหนึ่งก็คือต้องหมดการอดทนต่อทุกเวทนาที่เกิดจากการเสียดแทงของอาหารบัานก่อนไนี่มีทัญนกจลาคุณรูปเนึ่งมาเล่าทั้งประเทรารูปเนึ่ท่านนอนในโร ง, ยโรงพยาบาลครับ กาที่จริงทุกอย่างเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่ามันเกิดว่าท่านไม่ยอมฉันอาหารแล้วหมอก็จะให้อาหารทางสายยางท่านก็ไ ม, ม่ยอมก็ถือว่าเลยเวลาเพลงไปแล้วซึ่งก็เป็นปัญหาหมายความว่าท่านในลักษณะอย่างนั้นนะนะ ลักษณะอย่างนั้นก็ทำให้เรนึกถึงพระพุทธปฏิสัยพระพุทธลํารัตที่สั์เกี่ยวกับเรื่องนี้คือใช้คำว่ากลืนกินกลืนกินให้ร่วงลําคอลงไปแต่นี้มันไม่มันไม่ได้กลืนกินอะไรนะมันมันเป็นเรื่องวิธีการของหมอแต่ว่าพระท่านตระนี่ท่านก็ไม่ยอมฉันก็หมายความมาท่านก็ยอมตายแต่วให้ตายด้วยความภาคภูมิใจด้วยความสุขใจ ที่สามารถรักษาศีลไม่ได้เพราะเพราะาชีวิตกับศีลเนี่ยมันจะต่างกันชีวิต เ, เป็นของเธอต้องแตกดับแต่ว่าศีลนั่นเป็นบารมีธรรมที่จะนาเราก็ท่องที่ยวอยู่ในสงสารวัติโดยผลของศีลโดยผลของทานโดยผลของบารมีต่าง แบบยานที่บอกนะฮะว่าเรื่องนี้มันต้องอยู่ที่พื้นฐานความเชื่อถือในเรื่องกฎของกา ร, รเรื่องสังสารวัตเรื่องบา ร, รมีแล้วพวกนี้ความจริงที่ชัดเจนเราก็ไม่ชัดเจนเราก็ต้องเชื่อตามที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงก็เรียกว่าแนวแนว ใ, นใต้ร่มพระพุทธญาณเนี่ยมันจะเน้นเป็นแนวเดินเดินตามเสด็จรอยอยู่คนบาปพระพุทธเจ้าเป็นหลักเพราะว่าคนที่ เข้าถึงพระโพธิญาณคือพระพุทธเจ้าเราก็เข้าไปอยู่ใตร่มพรโพธิญาณของพระองค์คือเข้าไปให้ใกล้ที่สุดนะเท่าที่จะใกล้ได้ตอนพระองค์ประพฤติปฏิบัติอย่างไรเราก็ประพฤติปฏิบัติตามตามอย่างนั้นพระองค์ทรงเจริญขันติบา ร, รมีอย่างแก่กล้าเข้มงวดจริงจั ง, จงบางครั้งก็เกือบตาย เราอาจจะยังไม่เคยเจอถ้าเจอก็ต้องพิสูจน์ขันติกันแต่บางครั้งบางคราวเนี่ยมันจะต้องมีสติสมัยัญญาเข้าช่วยเขาเล่าถึงคนคนหนึ่งต้องการจะเข้าไปเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งแต่หัวหน้าพักตันบอกว่ามันไม่ใช่ง่ายนะคุณน้าการเล่นการเมืองเนี่ย บางครั้งบางคราวเนี่ยเขากล่าวหาเขาใส่ร้ายก็าป้ายสีเขาด่าว่าเขาสบประมาทดูถูกดูหมิ่นแล้วถ้าเรโกรธเนี่ยมันก็ตกเป็นเหยื่อของเขาจานวนปัจจุบันก็เรียกว่าตดบอลเข้าเท้าเขาควนจะต้องมีขันติอดกานอดทนสูงเป็นพิเศษเรียวกว่าไม่หวั่นไหวทีเดียวนวายคนนี้ก็ ยืนยันมั่นเหมาะนวว่าแกนี่มีความอดกลั้นมีความอดทนสูงจะไม่หวั่นไหวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามก็คุยกันไปจนเพลินเนี่ยวนันนั้นพักท่านต้องการจะทดสอบดูท่า่ก็พลิกดูประวัติไปเรื่อยอ่านไปอ่านมาบอกว่าเอข่าวเขาว่าครอบครัวคุณเนี่ยมีปัญหานะเสียงแข็งขึ้นนะ ประโยคขนาดด้านนะฮะเสียงแข็งกันนะก็บอกกับแม่คุณเนี่ยประพฤติไม่ดีตาเขียวเลยเขาว่าเป็นชู้กันเรี่ยงเลยนะลุกขึ้นเลยด่าขรมงโฉงเฉีย ง, งใครว่าอย่างนั้นใครว่าอย่างนี้วหน้าพิต ก, ก็บอกว่าเนี่ยเห็นัหมไหนคุณบอกว่าคุณอดกลั้นอดทนนะเดี๋ยวเขาต้องการทดสอบเฉย เรืการทดสบอบเฉยๆว่าเวลามีการกล่าวหาใส่ร้ายป้ายสีกันเนี่ยท่านจะอดกัน้นอดทนได้หรือไม่เพรา ะ, ะการปฏิบัติธรรมะเนี่ยเราปฏิบัติโดยไม่ไปทําอันตรายต่อบุคคลอื่นเรว่าองไม่ฆ่าสัตว์อื่นไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นเนี่ยก็เป็นเรื่องเราแต่ละคนนรับผิดชอบการปฏิบัติของตัวเองไม่ใช่ว่าเราป้องกันแม้คนอื่นก็ทําต่อเรา เพราะคนโดยจะดีพิเศษอย่างไงก็ตามนะว่าคนขนาดพระพุทธเจ้าที่โบราณท่านเตือนให้เราคิดเนี่ยอินทากาเลมเทนามไม่ชอกสาวเมอนอามีดมากรีดหินแม่องพระปฏิมายอย่างละคินคนเดินดินหรือจะพ้นคนนินทามันเราหลีเลียงไม่ได้เลยคนที่ไม่ถูกนินทานั้นไม่มีในโลก พันการนินทาการด่าว่าการสบประมาทการดูถูกดูหมิ่นของบุคคลอื่นนั้นก็คงต้องเป็นเรื่องของคนอื่นเพียงแต่เราไม่ทําอย่างนั้นเท่านั้นเองแต่เราห้ามแม่เขาทําต่อเราไม่ได้เห็นไหมพระพุทธเจ้าก็มีคนกล่าวหาใส่ยร้ายป้ายสีมากมายก่ายกองตลอดระยะเวลาสี่สิบห้าปีเพียงแต่ว่าทําอะไรพระองค์ไม่ได้เท่านั้นแล้วพระองค์ไม่ทําตอบต่อเขาเท่านั้นไม่ได้หมายความว่า คนอื่นจะไม่ทําตัวเราเพราะในขณะที่คนอื่นคนหนึ่งก็ดีก็เด่นเนี่ยขึ้นมาจะมีคนกลุ่มหนึ่งเขาฤิิ์เสีมีคนกลุ่มหนึ่งก็เบียดเบียนมีคนกลุ่มหนึ่งเขาอนุมัตนามีคนกลุ่มหนึ่งก็วางเฉยม่นก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าใครจะมีความรู้สึกอย่างไรแต่ที่แน่นอนที่สุดคนนั้นทําความดีคนคนนั้นแหละก็ทําความดี แต่คนอื่นก็รู้สึกอย่างไรนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็เราจะห้ามอะไรใครไม่ได้ตอนกระบวนบารมีเนี่ยคือกระบวนของกรรมเป็นเรื่องที่คนจะต้องรับผิดชอบในการกระ ท, ทําของตัวเองไม่ใช่ว่าพอเราทําความดีแล้วใครจะด่าว่าตําหนิติเตียนไม่ได้มั้งไม่ใช่อย่างนั้นี่บางคนก็เสียขวัญเสียกํบบาลังใจทําความดีถ้าตายไม่รับการยกย่องไม่ได้เกี่ยวอะไรคนละเรื่องนะฮะ อย่างคำนวณปัจจุบันก็าพูดทุกคลเรื่องเดียวกันมากกว่ามาเราทําความดีแต่ไม่มีคนยกย่องมันความดีเราไม่ได้หายไปไหนแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องมีการยกย่องด้วยเพราะอะไรเพราะว่าไม่ใช่เป็นการแน่เสมอไปว่าถ้าเราทําความดีแล้วก็จะรับการกจะได้รับการยกย่องปัญหาว่าใครรับรู้ความดีของเราล่ ะ, ะสมมุติว่า ร, รูปหนึ่งสามารถเทศสอนโยวชนในเรื่องเสพยาเสพติดได้มากมาย ก็เป็นร้อยเป็นพัน น, นะนะก็แน่นอนพ่อแม่ของเด็กนะ่ะชอบแน่เด็กนี่ส่วนใหญ่ก็ต้องชอบแหละแต่ปัญหาว่าคนขายยาบ้าล่ะคนผิดจําหน่ายยาบ้าล ะ, าาาละก็ชอบหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคือการทุบหม่อข้าวเขาอ่ะเขาก็ต้องไม่ชอบเป็นธรรมดาการปฏิบัติบําเพ็ญบารมีจึงเป็นความรับผิดชอบเฉพาะตัวตามกระบวนการของกรร ผู้เจ้าสอนให้เราพิจารณาเนี่ยก็เรามีกรรมเป็นของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมไป็นกําเนิอมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทํากรรมใดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามว่าจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นกรรมใดใครก่อคนนั้นก็รับกรรมหมายความว่าคันตินั้นเป็นเหตุแห่งความสุขเป็นเหตุแห่งความเจริญแห่งกุศลแธรรมท้งหลายแล้วก็เป็นประธานเป็นเหตุ แหงคุณคือศีลคือสมาธิคือกุศลธรรมทั้งหมดจนถึงน้นแหละจนถึงบรรลุมรรคผลนี่ผ่านล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยขันติมากบางน้อยบ้างยิ่งขึ้นสูงยิ่งต้องอาศัยขันติมากแต่ว่าการมากเดียมันดีอย่างเนี่ยคือเกิดโดยอัตโนมัติได้ถ้าหากาแรงกระแทกกระทันไม่หนักหนาสาจนเกินไปเรื่งความเท่ไร แล่ลงพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูุ์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทางลายโดยโทั่วกันสวัสดี